สี่สิบนอร์บัดด์การสอบถามทางวอดีเกตริดลัลขอโทษค่ะได้บัตสิทธิ์อร์นิมิดัมช่วยดีฉันทีได้ไหมคะ นீ่งกันยันกูบุด AVIS ய องมุดิยมูมาแถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะยิง่ง อ, อริกิย์เองดมนั ல นแหละวุณาวก க รมอิริิระเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะอันดับมูลายลี ப ดุ க ம ก ச ม ல เซลล்งก்ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะிปรักษிสิริทเนรราห์เ ல ล ங ் க ள ் ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะไปเรื่อยๆตลอดปักกิ่งิริมบีวอร์นูริเมตรเซลลงคุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้นิงกัลบัสซิลคูดเซลลม์มคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้นิ่งกัลทรามลคูดเซลล์อม คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้นี่งกันยั่ไงุงกันก็ริลคูดะพินทอดาละลาะล่ะดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะคอลปันธ์เดบเลยอตตอรังกัตติร์กุนนันเอ๊ะปะดีพูดว่ข้ามสะพานไปค่ะฟอลอตเตย์คารันดุเซลังกัลลอดอุโมงไปค่ะ สุรังก์ปอดเยลเซลังก์ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะมูนราวด์ปอกวาร์ตุวิลก์วารีเซล்งก்ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะเพริกวลาดพักกม์มุดล์วีดิเกลติรัมบังก์ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป பிறகு ค ட ுอด்ด சாலை ச ล்สันดิைไปกับอันดุเนร่าห์เ்ลงงลังกลขอโทษค่ะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ த ด้บุษย์สิ่งดูนอริเนมดมน้องบีมอ ந ிนนิลิ த ிต்ิு எ ப ்ยปะดีพอบดวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินเมโ வ ிวิลเซล வ த ด எ เ்ลลาวั ற ி ல ு ம ் சிறந்தது ออกที่สถานีสุดท้าย